ผมพอมาเทศแล้วเล็ดเหมือนไทยว่ารถตินนะดเลยไว้ติดเท่าทนี่นะาทางเข้าวันนะ้ำมนต์แสนอกเลยพวกเราอีกส่วนหนึ่งจะมาฟังเทศนะตอนนี้อยู่บนถนนพวกเราแต่เมตตาเยอะมากนะน่าอกรุ้งใจพวกเราที่มาคันนะถือว่ามีบุญกันแล้วกันนะชิ้นเองแล้วสบายใจดี วันนี้หลวงพอเวลาจำกัดมากเลย16ต้ออจากที่นี่ยังไม่รู้ว่าจะไปทันไมวันนี้จะไปนิวยอร์กงนวันนี้เนไม่เป็นให้ส่งกัรบ้าไม่มีเวลาไม่ได้ถ่ายรูปถ้าใครจะถ่ายถ่ายตอนนี้เลยให้เวลา5นาทีนะเชิญถ่ายถ่ายรูปเนีย่ยได้ปรโยชน์น้อยนะ ไปดูรูปทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ไดดากาได้ฟังธรรมะสดๆร้นเป็นเรื่องทีหาได้ยากยากมากๆก็เราจะได้ยินได้ฟังธรร ม, มบ่อยๆได้ธรรมะที่เร็นภาคปฏิบัติแท้ตรงไปตรงมาอะไรเนี่ยาาส่วนใหญที่เราได้ยินได้ฟังธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่อง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 เราโหโลวงปู่ดูลนัทสอนให้ทำสมนะะถะก็โดยการพิจารณาเส้นผมเส้นเดียวสองเส้นก็ไม่ได้นะให้เอาเส้นเดียวอันนี้ท่านสอนหลวงพ่อขืนทำไมหลวงพ่อขืนยังไม่ได้บวดแต่เราให้พิจารณาผมเส้นเดียวหลวงพ่อขืนบอกว่าฟังแล้ว น, น้อยใจเวลาหลวงปู่ดูลนัทคนอืนสอนตั้งเยอะนะทำไมสอนเราสอนให้ดูผมเส้นเดียวก็ไม่เอาเลยแลวทำกกรรมฐานที่หลวงปู่สอนเนี่ย ก็ไปพาวนาอยู่วัดอินมังเป้งของหลวงปู่เทสตลอดพรรษาเลยไม่ได้อะไรเลยออกพารษาแล้วกลับมาเมืองสุรินใจก็หอเหี่ยวนะจะไปอยู่บ้านออวอองานาไม่เป็นนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่ดูให้ดูผมเส้นอยวแล้วดูผมเส้นอยูยจิตรลวะปักเลยจิตได้สมาธิได้สมาางนที่จริงแล้วการกปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นนะถ้าเราฟุ้งซ่านมากเราก็ทำความสงบเข้ามา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 เขดูทองผ่องยุบไปตอนไหนเดินจงครบแล้วมีความสุขแลวกเดินไปดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นกรรมฐานไม่าเรียนแบบคนอื่นอย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็นทาอานาปนานสติมาเรียนหลวงพ่ อ, อพอไม่ได้สอนให้ทาอานาปนานสติเราต้องดูว่าเราหม่อากรรมฐานอะไรถ้าหายใจแล้วมีความสุแล้วก็อยู่ลมหายใจตานหลวงพ่อภนาไม่นานอนะสองสามปีแลเรียกเจอหลวงปู่ดูล ช่วงสองปีแรกในพัฒนาเร็วมากเลยเพราะหลัรอานั้ น, นมันชักจะฝืดฝืดดไม่ค่อยพัฒนารู้ตัวอยู่เฉยๆยจิตไม่ค่อยเดินปัญญาเลยหนึ่งสงสัยมากทำไมมันไม่พัฒนาก็ดีมีโอกาสเ <Okay. S 1> ึ้นไปวาบ้ันตาอันป่าพันตากขึงนไปกลับลงตามหาบวงไปถึงก็ไปบอกท่านว่าพ่อแม่บวชจางสอนให้ผมดูจิต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 ไม่ใช่ทำฝนเพราะฉนั้นไม่ใช่เรา ท, ทําจิตได้ว่างจิตที่บ้างนั้นเป็นจิต ท, ที่ไม่มีอะไรเข้าไปปลูกแต่งเปนจิตทราร่าอันไม่ใช่จิตของเราจิตของเราเมัเนเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาเราก็ต้องมาทําต้นทางของการปฏิบัติถ้าจิตฟุ้งซ่านมากามาทําความสงบข้น ม, มาจะสงบด้วยกรรมฐานอะไรก็ดูตัวเองพูุทโธแล้วมีความสุขกบพุทโธหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจดูต้องฟองยุคมีความสุขก็ดูต้องฟองยุค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 เราต้องรู้จักเรื่องอารมณ์ต้องดูตัวเองไม่ใช่ดูเพื่อนไม่ใช่ดูอาจารย์นะดูตัวเราเองเราอยู่กับกรรมฐ า, านอะไรเรามีความสุขเราอยู่อกอกกรรมฐ า, านนั้นบ่อยๆพอจิตมีความสุขจิตจะมีความสงบอยู่ในอารมณ์อิมที่องทำมาทําไปเพื่ออะไรไไเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรเราต้องรู้นะไม่ใช่ทาสุม 4, ส่มสี่สุ่มหไปเรื่อยๆแล้วนั่งสมาธิมีความสุขมีความสงบ ว, ว, ว่าวันหนึ่งจะบรรู้มรรคผลนิพพานค น, นละเรื่องกันเลย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 แล้วก็ลัางกิเลส น, นะเรียกว่าวิชาสามพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามเนี่ยคือท่านทำชานมาก่อนนะทำชานจนกระทั่งเกิดอภิญญาจิตขึ้นมาแล้วก็มีมีฤทธิ์มีเดชพนะระอรหันต์พวกนี้พระเาบกในภิกษุห้าเนี่ ย, ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามงหกสิบองค์หกจากห้าเท่าไหร่สิบอเใช่ไหมเนี่ยคือพวกนี้พวกโฉดามีสิบ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 ชำ น, น, นินชานาญในเรื่องฌานมาก่อนเพราะฉะนั้นพวกที่เล่นฌานนะมีวิชาสามหกสิบอภิญญาหกสิบแล้วทั้งหมยังมีพระอราหันต์อีกจาพวกหนึ่งเรียกว่าอุปโภคภาวิมุนอุปโภคภาวิมุนคือพระอราหันต์ที่ไดอารูปฌานท่านเหล่านี้ไดอรูปฌานมาก่อนแล้วมาเป็นพระอราหารันต์เวลาทั้งวัเลยนะคือหกสิบบหกสิบหกสิบไดเท่าหร่สามสิบแปด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 เราหยอหยอใหญ่ๆแหมือนกันเป็นข้าวชานไม่ได้ส่วนไอ้ที่ดีขอท่านเราไม่เหมือนท่านอ่ะแม่ไปเหมือนอยูข้อเดียวถึงข้าวชานไม่เป็น <c oughs> เราต้องขยันก็นานนะไม่ใช่วันต้องเข้าวชานได้ก่อนหรอกถึงจะบรรลุมรรคผลได้นิสัยธรรมดาจิตใจของคนธรรมดาเนี่แนหะดีที่สุดเลยะจิตใจของคนธรรมดาเนี่ยเวลาตามมองเห็นจิตก็สุงบ้างทุกข์ว่างดีบ้างรายบ้าง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 ลมกดนลมอ ย, อ, นอย่างได้ก็รู้สึกว่ามันแทงยางไงซึ้งไม่ได้ใจแก้วเลยเศร้าใจน่มาจากได้กลิ่นน้ำนะมันปรุงความรู้สึกทางใจให้มันเป็นช็อตชอตชอตให้เรามีสติรู้ความเปลี่ยนในหัวใจไปไม่ใช่เรื่องยากอะไรเมื่อวานนั่งรถไปขากลับจากวัดที่นี่นะได้กลิ่นส ก, กัง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 เหม็นยังแรงนะดีไม่ดีโกรธคนจับรถที่เปิดกระจกใหม่เหม็นโทรศัพ์เกิดเกลียดมันกลิ่นนี้ก็เกลียดนี้ก็โทรศัดแล้วจิตเป็นกูศสนะเมืกลิ่นอะไรเกลียดสักครั้งอ๋เป็นหนึ่งนี้เองดีหนึ่งนี้เองได้ความรู้ไม่โกรธนะตามมองเห็นรูปใจเปลี่ยนให้รู้ทันหูได้ยินเสียงใจเรำเรียนให้รู้ทันจมูกได้กลิ่นใจเปลี่ยนให้รู้ทันริ้นกระทบรสใจก็เปลี่ยน ก็ต้องลที่ถูกใจพอใจใช่ไหมก็ต้องลดไม่ถูกใจไม่พอใจหลวงพ่อเคยเป็นนะสมัยเป็นโยมกลางวนะันเราลงมาทำ ง, งานลงจากตึกมากินข้าวมีโรงอาหาร อ, าอไปถตงดึกทําเนียบร้อบาทหมูแม่ค้าทอดไข่เจียวสหอมเลยนะมันก็ไปข้าชิวซื้อข้าวไข่เจียวหมูก็กินไม่ทําแล้วนะจากความยินดีที่จะได้กินของอร่อยนะ่ะโทสะขึ้นเลย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 พวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพราะนี้ท่านบอกว่าหมาะที่จะดูกายหรือเวทนาหรือความรู้สึกสมทุกข์ตั้วกายหรือเวทนามันจะสอในให้เห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งาม๋ยวเรามีสติรู้สึกร่างกายได้แค่จะรู้สึกเลยมีของโ ส, สโคระไรออกมาตลอดเวลาจากร่างกายเราหน้าเราที่บ้านมวลนวล น, น, นะนะสะักพักมีของสสโครกไรออกมันเต็มแล้วเราเร่งวาแป้งมาพ่กไม่หยิ่งนะรีบไปล้างหน้ารีบเอากระดาษมาซักเลยตอนื่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 การดูจิตดูใจเนี่ยดูมันสดๆร้อนนะในธรรมชาติในธรรมดาของเรานี่นะไม่ต้องไปเข้าชานก่อนเมียด า, าชื่นใจเลยไม่ชื่นใจโกรธโกรนแล้วควรจะทำไงดีจักจักจัากำไหมนะอย่าพูดอย่างอื่นเมียว่าอะไรพูดจ้าไ้ก่อน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 จิตใจก็ไม่ใช่ของถาวรแป ล, ปลนฝูนตลอดเวลาเพลี่ยนอย่างรวดเร็วเนื่องจากที่เรามีสตินะแล้วเราคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของใจเดี๋ยวสูงเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดียเด๋ยวร้าเรื่อยๆไปเป็นทางที่ตัดตรงไปสู่ความเป็นพระสวัสดิบบ์ น, นะง่าที่สุดเลยง่ายกว่าไปดูกายดูอะไรอีกนะว่าจะดูกายได้แจ่มแจ้งต้องทรงชานดูไปเรนะจะกนกระทเห็นกายกรนะจิตน่ยแยกออกจากกัน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 ค่อยฝึกนะไม่ใช่เรื่อยากเกินเอาไหวไหมไหวดีถ้าไม่ไหวผมไม่รู้จะทำไงนะสอดนง่ายที่สุดแล้วนะเด็ก4ีขวบเด็ก7จขวบเด็กสิบขวบมันจะงทำเป็นเลยผู้ใหญ่อายุตั้งหลายสิปีทาไม่เป็นเสียชื่อบนมีเวลานิดหน่อยนะประมาณ1ินาที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 นั่นแหสมถะแล้วนั่นสมถะน้อยตายเลยเวลาเราทำงานเหนื่ยๆกลั้นใจทุ๊กหนึ่งเนี้ยนะที่กระสมนถ้าคนต่อไปได้คนสองคนสมบูรณ์ไหมาสการขนหลวงพ่อหลวงพ่อเคยบอกหนงว่าหลติดเพ่งเมืปีที่แล้วค่ะไม่ใชบว่าตอนนี้ยังติดเพงอยู่ไหมต้องรูไมล่ะรู้มติดหรืมติด ต้องรู้ด้วยตนเอง mm hmm. ไม่งั้นไม่ใช่บินรนนู้ชนวลญิบุญชนถึงรู้ด้วยตนเองมประคองแค่ดีขนเยอะแล้วอน่ะ้ mm hmm. วควรทสมถะเพิ่อมอะรสมรถะทำได้ํทาถทูกวันจิจะได้มีพลังแต mm hmm. ่ทาสมถะที่ถูกต้องไม่ทำวิชชาสมาธิวิชาสมาธิทำรัศมีสูงเลยอ mm hmm. ั น, นนะ้นอีกคนนึงนะมันจะรติดสุดยอดเลย วัดไทยผมกจะศาสนาเนี่ยนะผมรู้สึกว่าหมอพิรมนะผมรู้สึกว่าวดไทยของศาสนาเป็นอยู่ที่สติแต่การที่มีสติอยู่เนี่ยต้องมีไม่ใช่จะไปเดียวไปดากรอดยี่สชั่วโมงหรือเปล่ยกเว้วาื่นกลางคพราะว่าพอลาสติไปนิดเราถึงควาอ่า ไปตามที่ผมพ่อูดเยเมื่อมีสติกเราก็สามารถทีนะ่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นการที่ยิงได้ยดิงที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นความเ้าใจผมก็คือหาว่าสร้างสติกกให้เกิดขึ้นตอดเวลารู้ตลเ อ, เ อ, อเวลาทำได้ตลอดก็ดีนะจะ่ทำไม่ได้หรอกเราไม่ใช่ปลาหลา แต่ถ้าเราเป็นพระร า, านะันสติเป็นอัตโนมันเปันมากที่สุดทีที่สุดต้ อ, รองระวังคุณนรองพูดนะต้องต้องรับรวิธีทำให้เกิดสติแถมให้หน่อยมีเวลานิดหนึ่งวิธีทำให้เกิดสติไม่ใช่สังให้จิตเกิดสติเพราะจิตเป็นอนัตตาสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้เราต้องทำเอของสติ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 ตามยูทูอยูทูบเลยเห็มีเยอะแยะเลยอย่าวั mm hmm. าแต่ฟังเพลงดูหนังเลยนะฟังธรรมาบ้าง mm hmm. แล้วชีวิตจะดีขึ้นบายยนะ